โฉมนุสสะปติลาโภูกิจฉังมัจจานะชีวิตตังกิจฉังสัต ร, รมัสสะวนังกิจโฉพุทธานะมุปาโทความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยากการฟังพระสัตธรรม เป็นของยากการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธชาติทั้งหลายเป็นการยากยินดีตนรับสู่สถานีวิทยุกระจายสิ่งแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีของทุกๆวันเรามาพบกัน เพื่อที่จะประดับจิตใจของเราให้เกิดปัญญาเกิดความสงบเกิดความวิเวกในตก ว, วนาการเป็นช่วงของจิตตวิเวกเรามาฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิฝึกทำจิตให้มีความสงบมีความลีเกล้นมีความวิเวกมีความเย็นใจ วันนี้เราจะมาใคร่ครวญในพุทธพจน์ความที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากที่มันยากนั้นเพราะมีโอกาสน้อยครั้งมากที่จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเมื่อมีโอกาสน้อยอย่างนี้ชีวิตนี้จึงมีค่ามากเราจะต้องทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นในความน้อยที่มันได้นี้ ให้ได้มากการกระไรควรธรรมะในข้อนี้เริ่มต้นด้วยการมาทำจิตของเราให้มีความสงบซะก่อนทุกฝั่ ง, งทำจิตให้มีความสงบโดยการเจริญพุท ธ, ธานุสติแล้วมากระกรควนธรรมโดยการเจริญธรรมานุสติในเบื้องต้ น, ตนการที่เราจะมาระลึกนึกถึง พระพุทธเจ้าเอาคุณของท่านมาตั้งไว้ในใจของเราโดยการมานึกถึงพุทธโธพุทธโธพุทธโธไว้ในใจคุณของพระพุทธเจ้าในข้อพุทธโธคือความรู้ความตื่นความเบิกบงังตื่นขึ้นอยู่เหนือ จการควบคุมของภาษาต่างๆบคุคคลที่จะมีความสามารถในการที่จะอยู่เหนือการควบคุมของภาษาต่างๆได้จิตใจนั้นจะต้องมีสติมีจรณะคือข้อปฏิบัติที่จะทำให้เกิดวิจาวิจาคือความรู้วิมุตติคือความพ้นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของพุทโธ จะให้พุโทโธเกิดขึ้นได้ตรองมีสติตั้งไว้เรามาระลึกถึงพุโทโธความระลึกได้นั้นก็คือสติเวลาที่ใครจะทำจิตให้มีพุโทโธบางครั้งเขาก็ต้องมีคนสอนมีคนบอกทำตามที่บอกทำตามที่สอนหนึ่งเรียกว่าเป็นอนุพุโทโธบางครั้ง อาจจะทําได้เองโดยไม่ต้องมีใครสอนโดยไม่ต้องมีใครบอกเป็นส่วนของปัจเจกบุคคลเราก็เรียกว่านั่นคือปัจเจกพุทโธและบางครั้งสามารถทําได้เองด้วยแล้วก็สามารถบอกสอนผู้อื่นต่อว่าเออต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็เรียกเป็นสัมมาสัมพุทโธ ความที่จะเกิดขึ้นแห่งสมมาสัมพุทธโธนี่แหละท่านผู้ฟังที่ว่ามัมอนยากยากเพราะว่าต้องใช้ความพยายามอย่างมากอยากบริบาต้องใจเวลาอย่างมากยากนั้นก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่ได้มายากอะไรที่ได้มาง่ายๆนี่ท่านฟังมันมีค่าน้อยไง แต่อะไรที่ได้มายากได้มาด้วยความลำบากนานๆสักครั้งหนึ่งกว่าจะได้สิ่งนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากสิ่งที่มีค่ามากไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเขาก็เรียกสิ่งนั้นว่าเป็นแก้วเป็นรัตนะเพราะว่ารัตนะหรือแก้วนั้นไม่ได้เหมือนกับโลหะ ที่คุณจอนหลอมขึ้นมาใหม่อย่าง้องคำคุณสามารถที่จะหลอมเป็นรูปร่างเป็นเรียนปราแต่ว่าแก้วหรือวัตถันะคือถ้ามันแตกแล้วมันจะมาทากาวต่อติดโอ้ยมันไม่เหมือนเดิมหรือถ้าจิรไนเป็นชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้วมันก็เป็นแบบใหม่ดีไซน์ใหม่ขึ้นมามันไม่ได้จะกลับทำให้เป็นเหมือนเดิมได้ แก้วหรือวรรตนะจึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากเรามาตั้งนึกพุโทโธไวในใจในขณะที่เรานึกพุโทโธพุโทโธอยู่นี้แน่นอนธรรมบฟังก็ได้ยินเสียงข้าพเจ้าไปด้วยหรือบางครั้งกานึกใก ร, รครวนตามเรื่องราวที่ได้สื่อสารฟังกันหรือคิดนึกขึ้นไป สตินี่หละทุกฝั่งจะทำให้เราสามารถที่จะเกิดกระบวนการการแยกแยะหลายๆท่านหลายๆคนมีความสงสัยว่าเมื่อในขณะที่ฟังเทศไปแล้วนังสมาี่นี่เอาจิตไว้ตรงไหนจะเอาจิตไว้กับที่ฟังหรือเอาไว้กับความคิดที่ใคลครวรตามหรือเอาไว้กับพุทธโธ หรือไม่ต้องสนใจอะไรฉันทำจิตให้นิ่ง ๆ, ๆไม่ว่าอะไรใครมันได้เท่านั้นละตั้งแตฟังอยู่ที่ว่าเราแยกแยะได้หรือไม่สติคือการแยกแยะถ้าไม่มีสติเหงาสุดตรงข้างหนึ่งคั้วที่มันไม่ได้คือมันจะเผลอเปลินหลงไปตามความคิดบ้าง สิ่งที่เป็นความคิดสิ่งที่เป็นจิตสิ่งที่เป็นการรับรู้ความคิดนั่นก็เข้าใจว่าสามสิ่งนี้เป็นอย่างเดียวกันทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเพลอมันเพลินไปแล้วไงเพราะเพลอเพลินรวมกันมันก็เชื่อมติดกันนี่ลักษณะของตันหาวิชาทำให้ไม่แจ่มแจ้งทำให้มันติดกันก็จึงเข้าใจว่าความคิดเนี่ย เป็นกองฉันอารมณ์เนี้ยเป็นฉันฉันโกรธแล้วฉันชอบแล้วฉันพอใจแล้วสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้นี่ น, นีนี่ถูกพอรู้สึกว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดมันก็มีการปักใจฝังลงไปในสิ่งนั้นสิ่งนั้นการปักใจการฟังลงไปนะันคือจิตหนี่มไปก้าวลงไปเกิดแล้วมีพบแล้ว มีความทุกข์ตามมาแน่นอนอันนี้เราษณะที่ว่าแยกแยะไม่ได้มันมัดรวมกันเข้ามัดรวมกันเข้ายิ่งหนักยิ่งแน่นมันไม่เบามีปัญหาไม่สบายใจรกระกระซังเป็นเงินเป็นปมเอาใหม่เ oh oh อาใหม่เพราะเราตั้งสติขึ้นไว้สติในตัวมเป็นยังไงนะ สั่งออนไลน์มาลองดูสิเอาสีเขียวหรือสีเหลืองเอาสีชมพูหรือสีฟ้าเอาสีแดงหรือสีดำไม่ใช่ทานฟังมันไม่ได้สั่งออนไลน์ได้นะแต่สติคือการระลึกได้อเอาแค่ว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้เราระลึกนึกถึงพุทธโธได้ ความระลึกได้นั้นน่นนะคือสติทาไมสติคือการแยกแยกเพราะโดยธรรมชาติโดยปกติแล้วจิตนั้นมักจะมีสภาวะที่คล้อยเคลื่อนโน้มน้อมเอียงเทไปตามสิ่งต่างๆที่มันมีการรับรู้การรับรู้นั้นคือวิญญาณถ้ามีการรับรู้เสียงผ่านทางหู จิตก็มักจะเคลื่อนไปตามเสียงนั้นมีการรับรู้รถผ่านทางลิ้นรับรู้ความคิดคือธรรมารมผ่านทางใจรับรู้ภาพผ่านทางตาสิ่งที่เป็นเสียงเป็นภาพเป็นความคิดมันจะมีอารมณ์ติดมาด้วยเสมอจิตมีสภาวะมีลักษณะมีแนวโน้มที่จะน้ำเคลื่อน ไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นที่ให้สุขบ้างทุกบ้างตามแต่ลักษณะธรรมชาติของเขาของเขาการที่จิตโน้มน้อมเลื่อนไปในเป็นธรรมชาติของเขาไงเหมือนน้ำไหลไปสู่ที่ตำ่ำพอจิตเลื่อนไปมันก็จะมีสภาวะมีอารมณ์เป็นไปด้วยกับสิ่งนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดที่เป็นปัญหาเพราะว่าสุขก็มีทุกข์ก็มี จิตเราก็จะมีความสะดุ้งสะเทือนวันไหวไปตามเพราะมันเข้าไปหากันแล้วมันมัดรวมกันอย่างที่หวาลักษณะแบบนี้คือเพลินไปคือเผลอไปคือตามไปคล้อยเคลื่อนไปสิ่งที่จะตรงข้ามกับไม่เผลอไม่เพลินไม่คล้อยเคลื่อนตามไปคือไม่ประมาท ไม่ประมาทก็คือมีสติไงสติจึงเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความเพลินคุณจะไม่เพลินไม่เผลอคือไม่ประมาทก็คือมีสติเริ่มเกี่ยวก้องกันแล้วนะสติพอเราระลึกในทีน่นี้ถึงพุโทโธคุณจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้เราไม่เป็นไรหรอก คุณจะใช้พุทธโธจะใช้ลมหายใจจะใช้กายจะใช้ศีลเป็นพุทธานุสติอาณาปานาสติกายคตาสีหรือว่าสีลานุสติก็ได้ในที่นี้เรายกมาเป็นตัวอย่างในพุทธานุสติพอจิตเราะรลิกนึกถึงพุทธโธปึ่งเลยใช่ไหมแนวโน้มความน่าจะเป็น ลักษณะธรรมชาติที่จิตเราหมือนจะคล้อยเคลื่อนตามไปอารมณ์ต่างๆนั้นมันจะลดลงให้วทำไมลดลงได้ฮเพราะมีสติไง เ, เกิดขึ้นตรงไหนนะก็ตั้งแต่ตอนที่คุณนึกถึงปุตนนั่นไงนึกถึงลมหายใจได้ไหมไม่มีปัญหาเอาเครื่องมืออะไรก็เอาเถอเพะพมีการระลึกได้ความระลึกได้นั้นคือสติ พอมีสติคือการระลึกได้แนวโน้มที่จิตจะคลอยเคลื่อนไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นจะลดลงกระบวนการการแยกแยะจึงเริ่มให้เห็นตรงนี้สมมตินะเวลาที่ไม่มีสติใช่ปะ่ะมีอารมณ์อะไรบานมาทางหูปุมันไปเลยนะความคิด น, งนึงมันไปเลยใช่ปะ่ะทีนี้พอมีสติเราบันึกประบดูปดกอย่างเงี้ย ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงผ่านทางหูใช่มละก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีความคิดนึกอะไรผ่านทางใจบ้างล่ะก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้เห็นภาพผ่านทางตามีกลิ่นอะไรมาโดนจมูกเราก็ได้กลิ่นเหมือนกันหมดนะได้นั่นคือการรับรู้ไงสติการหนึ่งใช่ไหมวิญญาณก็จึงเป็นนั น, น, นหนึ่งล่ะโอ้คนละอย่างกันพอมีวิญญาณการรับรู้แล้วจิตมันจะคล้อยเคลื่อนตามไปธรรมชาติของเขา มันก็ไปไม่เต็มทีจิตก็จึงเริ่มค่อยแยกออกจากวิญญาณจิตกับวิญญาณนะแต่ามาฟังเป็นคนละอย่างกันเพราะจิตก็คือจิตนะจิตคือภาวะแห่งการสะสมหรือว่าเราไปตายเกิดเกิดตายเนี่ยเพราะว่าจิตนี่แล้วมันสะสมเอาไว้สะสมนี่ไม่ใช่ว่าไม่ดับนะเกิดดับเกิดดับด้วยวิญญาณการรับรู้มันคนละอย่างกับจิต เพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกมันเกิดขึ้นที่จิตไม่ได้เกิดขึ้นที่วิญญาณมนเวลาคนเ็าด่าเราหรือคนเ็าชมเราเราจะทุกข์หรือเราจะสุขไปตามเสียงด่าหรือเสียงชมนั้นไม่ใช่หูนะเป็นตัวสุขหรือทุกข์แต่ว่าจิตตัางหาไม่ใช่โสตวิญญาณด้วยซ้ำถ้าแยกแยะไม่ได้ก็จะเข้าใจไปงั้นไงว่าวิญญาณ คืเป็นตัวไปสุขไปทุกข์แต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้ า, าท่านแยกยะให้ว่าวิญญาณไม่ใช่เป็นตัวที่ไปสุขไปทุกข์แต่แค่ทําหน้าที่ในการรับรู้แต่ตัวที่จะไปสุขไปทุกข์จริงๆนั้นคือจิตไม่ใช่วิญญาณจิตจึงจะเริ่มแยกแยะออกจากวิญญาณได้ตรงที่เราตั้งสติขึ้นอยู่กับพุทโธนี่แหละ เราตั้งพุทโธขึ้นพุทโธเป็นอะไรก็เป็นธรรมารวมอย่างหนึ่งเป็นความคิดอย่างหนึ่งเราถ้าลมหายใจอ่ะก็เป็นกายอย่างหนึ่งเป็นธาตุสี่อย่างหนึ่งพอเราตั้งขึ้นแล้วเรานึกถึงเราเลึกถึงความนึกได้ความระลึกได้นั้นคือสติแล้วคุณไม่ได้รับรู้ลมไม่ได้รับรู้พุทโธเลยหรอความคิดนั้นอ่ะก็รับรู้เหมือนกันนั้นก็คือวิญญาณไงพอเรารับรู้วิญญาณอันนี้แล้ว มันรับรู้วิญญาณคือความคิดอันอื่นเสียงอันอื่นภาพอันอื่นได้ไหมก็ได้เหมือนกันไงมันจึงเริ่มมีการแยกแยะตรงนี้เพราะเราตั้งจิตไว้อยู่กับพุทโธใช่ไหมจิตมันจะอยู่ที่นี่มันจะมีแนวโน้มว่าเอามันจะไม่ไปละฉันจะตั้งไว้อยู่ที่นี่แต่ที่มันไปที่เป็นธรรมชาติในการรับรู้ของเขานั่นคือวิญญาณไงวิญญาณมันจึงเริ่มแยกออกจากจิตตรงนี้ คือจริงๆแล้วจิตมันยยกออกจาวิญญาณจิตมันไปทั่วลนะ่ะไม่วปาเกอบวิญญาณ น, นี้ขกาวิญญาณ น, นั้นวิญญาณก็เกิดจากการที่ผัสสะมากระทบนั่นแหละมีเสียงมากระทบหูมันจึงเกิดโสตวิญญาณแต่เรารู้สึกว่าเห้เหมือนมันเป็นเซนเตอร์อยู่ตลอดเลยนะก็เพราะว่าจิตของเรามันไปไงคือ point of reference หรือจุดอ้างอิงมันอยู่ที่จิตของเรา ความที่เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวตนเหมือนสะสมไม่ตรงจิตจิตไม่ไอยู่ตรงไหนมันก็รู้สึกว่าตรงนั้นละมันนิ่งอยู่มันเป็นของมันตรงนั้นสบายว่าอันนี้นี่คือจิตแต่พอเราตั้งสติไว้จิตนี่มันก็จึงไม่ไปตามวิญญาณละอยู่กับลมบ้างอยู่กับพุทโธบ้างวิญญาณกับจิตมันจึงเริ่มแยกกัน พอวิญญาณกับจิตเริ่มแยกกันแล้วเสียงภาพความคิดที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดวิญญาณมันก็จะเริ่มแยกกันด้วยกระบวนการการแยกแยะจึงเริ่มจากการตี่เรตั้งสติขึ้นสตินี่มันเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะทุกฝังเพราะนอกจากจะไม่เกิดการแยกแยะแล้วจิตเราจึงจะแยกตัวออกจากความคิดนั้นเสียงนั้นภาพนั้น แยกแยะแยกตัวได้เพราะเพียงแค่เรารู้จักสังเกตเห็นพอมีการสังเกตเห็นดูที่พุโทโธบ้างลมหายใจบ้างแยกแยะออกแยกตัวแล้วมันทำให้จิตถึงความหลุดพ้นได้ถึงความรู้ได้สติที่มีกำลังทําให้เกิดคุณธรรมอื่นๆต่างๆต่อเนื่องไป จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากมากขนาดว่าแค่เฉพาะมนุษย์นี่ถึงจะทำได้ถ้าตากว่ามนุษย์ลงไปโอมันจะทำไม่ได้คือทำได้แต่ไม่ถึงพอที่จะให้เกิดความรู้คือวิชาเกิดความพ้นคือวิมุตมันจะไม่ได้ตั้งแต่มนุษย์จนถึงเทวดาพอจะมีสติสัมปชัญญะ ที่จะทำแล้วให้เกิดความรู้เหล่านี้ได้สัตวเดรัชฉานมีสติไหมมีอยู่แต่มันไม่มากพอสติคือความระลึกได้ว่ามันจะต้องทำอะไรมันจะต้องทำสิ่งนี้หรือไม่ควรทำสิ่งนั้นสำหรับสัตวเดรัชฉานนั้นจะถูกกบดันด้วยความรู้สึกอิโมชนันเป็นส่วนมาก จะไม่ได้มามีการกระตุ้นด้วยปัญญาความรู้สึกผิดชอบช่วดีก็มีอยู่แต่ว่ามันน้อยมีอยู่เป็นบางครั้งบางคราวความที่มีน้อยมีเป็นบางครั้งบางคราวก็ทำให้สัตว์เดรัจฉานนั้นจะมีความเป็นอยู่ที่สัตว์มีกำลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กเอาตามความสุขความทุกข์ หรือนวามทุกข์หันหาความสุขโดยที่ไม่ได้ว่าแครหรือใครเป็นเจ้าของขอะไรยังไงไม่สนคือความยับยั้งชั่งใจสติความระลึกได้มันมีน้อยแต่สำหรับมนุษย์ขึ้นไปคือนี่ยังพอมีความยับยั้งชั่งใจมีความระลึกได้ไม่ได้จะเอาตามความสุขหรือความทุกข์เต็มที่ จะมีความที่รู้ว่าเออสิ่งใดใครเป็นเจ้าของก็ไม่จื้อเอาสิ่งนั้นอันนี้เป็นการประพฤติผิดจารีอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ทำความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจึงมีมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่รักษาศีลได้นะตำฟังก็จึงมีสติอยู่แล้วแน่นอนในระดับหนึ่งด้วยสติตรงนี้มีในระดับหนึ่ง แต่ไม่เกิดมีสีได้นนก็เป็นสี ล, ลานุสติต่อไปมาพัฒนาให้เกิดเป็นสมาธิทำจิตให้สงบมีอารมณ์เดียวต่อไปจึงกระทั่งถึงปัญญาได้ทีนี้พอเราตั้งสถียรไว้ยอยู่กับพุทโธจิตเราเริ่มมีกระบวนการการแยกแยะอยู่ในช่องทางใจจิตก็จะไม่น้อมคลอยเคลื่อนไปตามอารมณ์สุขบ้างทุกบ้าง จิตนั้นก็จะมีความระงับลงมีความระงับลงความระงับลงระงับลงนั้นจะปรากฏมาในรูปของความสงบนั่นเองจิตที่ไม่ได้จะไปคล้อยเคลื่อนไปตามแรงกระตุ้นของเสียงของภาพมันก็สงบลงเป็นธรรมชาติของเขาแบบนี้สงบลงเย็นลงจิตนั้นก็รวมลงเป็นอารมณ์ันเดียว ไม่ได้ถูกกวนขึ้นบั่นขึ้นเป็นน้ำให้คุณแต่ตะก้อนต่างๆมันตกลงตกลงมันก็ใสจิตก็เป็นสมาธินั่นเองเราเรียกความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวไม่ได้สะ ด, ดุ่งสะดืนเปลี่ยนปแปลงไปตามการกระตุ้นของสิ่งต่างๆจิตที่กระทับงลงเป็นอารมณ์เดียวนั้นคือสมาธิ พอจิตเราปุุมสมาธิแล้วกรามาใกล้กรวนดูบ้างเอาสมาธิมาใกล้กรวนเหมือนกับเบนขยายหรือว่าเลนสน์นูนที่เวลาเขาปรับจุดรวมแสงให้แสงมันมาตกกระทบรวมอยู่ที่จุดเดียวความเข้มข้นของแสงมีมากก็จะทำให้บึม บื่มไม่ใช่ระเบิดนะแต่มายถึงมันจะร้อนขึ้นมามันจะจดจ่อลงไปมันจะสามารถเห็นตามความเป็นจริงเหมือนจิตโหเราพอสงบเป็นอารมณ์เดียวเรามาใช้ในการพิจารณาจอจี้ลงไปการคิดการพิจารณาด้วยจิตที่เป็นสมาธิไม่ใช่เป็นการนึกเอาการคิดเอาแต่เป็นการพิจารณาท่านเรียก ตรงนี้แหละมันจึเกิดยากในความเป็นมนุษย์เพราะว่าถ้าสัตย์เดรัจฉานจะมาทำสมาธิจดจ่อแบบนี้เ้าทำไม่ได้ไงไม่ใช่ว่าจะมาจดจ่อไม่ได้นะสะัตย์เดรัจฉามันก็จดจ่อได้แต่มันจดจ่อในการล่ามันกลัวในการที่จะถูกทำร้ายจะจดจด่จอจ้องแบบนี้อย่างนักล่าสิงโตเสือเวลาออกล่าเนี่ยตามันจะมองเขม็งเลยมันจดจด จอจดจ้องเอาไว้จะไม่ได้นึกถึงสิ่งอื่นมันจะเอาสิ่งนั้นสิ่งเดียวอย่างนั้นทำไมจะไม่เป็นสมาธิใช่ยุแต่เป็นมิจฉาสมาธิไงคิดนึกในการที่จะทำร้ายคิดนึกในการที่จะอาฆาตยาบาททำร้ายเขาคิดนึกแบบนั้นเป็นมิจฉาสมาธิจอจออยู่ก็จริงแต่ว่าจะรู้สึกถึงความผิดชอบชั่วดีถูกผิดมันไม่ได้ละ มันถูกกับดันด้วยอารมณ์ละโดยความหิวในท้องละหรือด้วยความโกรธแค้นละมันก็ทำไปอย่างนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่มีได้ยากเพราะว่าในบรรดาสัตว์โลกทั้งหมดสัตว์เดรัจฉานมีมากกว่าทุกวังในโลกราใบนี้มีสัตว์เดรัจฉานมากกว่ามนุษย์นะไม่ว่าจะในทะเลหรือในดินยังมีเยอะที่เราสารวจไม่ได้ ที่มันมากเพราะว่าด้วยความที่ตัวมันเล็กมนุษย์นี่ก็มียุคเข้ า, าไาเท่าไหร่ปัจจุบันมีเป็นหลายพันล้านแต่ที่หลายพันล้านมันเทียบไม่ได้เลยกับสัตว์เดรัจฉานมแมลงมดสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ปีกพวกนี้มีปริมาณเยอะกว่ามนุษย์มากมนุษย์นี่จึงเป็นกองน้อยของน้อยในความที้ว่า มันโอกาสเกิดขึ้นที่จะมาเป็นสัตว์ที่มีสติสัมปชัญญะได้ระดับนี้มันน้อยมากเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานที่จะไปตามอารมณ์สัดส่วนมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตที่ไปตามอารมณ์เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานนะก็ใช่สิคือถ้าจิตของเราไปตามอารมณ์ความรู้สึกหิวบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างจนกระทั่งถึงขนาดว่า ไม่ได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดละฆ่าได้เรลพิษผิดในกามได้ขโมยได้มีความเป็นไปในจิตจนถึงขนาดว่ามันผัวมาทางกายพระบุทรชาติทึถจึงบัญญัติสีเนีเป็นตัวขีดความแตกต่างเอาไว้เส้นนี้นะเป็นตัวแบ่งนะระหว่างมนุษย์กับสัตว่าถ้าสัตว์เนี่ยมันก็ไม่มีสีนะ่ะ มันก็ไม่ได้จะแคร์ว่นนี้ของใครจะรีดอะไรไม่มีประเพณีอะไรไม่สนแต่ถ้ามนุษย์นี่เข็ดอยู่ตรงนี้ถ้าเกินศีลไปคุณก็เป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างมนุษย์นะแต่ถ้ามีศีลนั่นคือความเป็นปกติของมนุษย์เป็นขอบเขตทางกายทางวาจาที่เป็นตัวบ่งบอกว่าในจิตใจนั้นมีสติ พอที่จะเป็นมนุษย์ไหมถ้ามีสติพอที่จะเป็นมนุษย์ระบบทางกายวาจาอยู่ในเรื่องของศีลแล้วนี่จึงเป็นคุณธรรมที่สําคัญที่มันได้ยากทําได้เฉพาะมนุษย์เท่านั้นรักษาศีลทําได้เฉพาะมนุษย์เท่านวังมนุษย์มีสติสัมปชัญญะพอที่จะรักษาศีลได้สัตว์เดรัจฉานรักษาศีลได้ไหมได้อยู่ แต่ยากน้อยแล้วอนิสงส์ก็ไม่มากเพราะว่าด้วยความเพลินด้วยความเพลอของเขาจึงทำให้เขามักจะมีความยิน ด, ดีพอใจในความเพื่เออทางตาทางหูทางลิ้นไปความสุขบ้างความทุกข์บ้างมันก็ลืมไปแต่มนุษย์นี่มีสภาวจิตที่ดีกว่าสูงกว่าจึงทไม่ มีคเครื่องมือในการใช้งานทำงานนั่นคือระบบสมองที่มีสมองส่วนหน้าไม่ใช่แค่มีสมองส่วนกลางเหมือนอย่างของสเดลร์ชานแต่มีคเครื่องมือในการที่จะควบคุมกายยับยั้งวางจาประพฤติทางกายทางความคิดให้มันดีให้มันถูกได้ตามระเบอบระเบียบของมนุษย์ที่จะมีกันดูแค่ในทางชีววิทยาใ น, นตูมฟัง ความเป็นมนุษย์เนี่ยโอทูมันซับซ้อนมากกว่าพวกสัตว์เดรัจฉานมากๆเซลล์ประสาทระบบสมองระบบการทํางานของร่างกายมีความซับซ้อนกว่าแม้แต่สัตว์ใหญ่ๆอย่างช้างหรือปลาวาลสมองก็ใหญ่กว่ามนุษย์ก็จริงแต่การทํางานนั้นไม่ซับซ้อนเท่าจํานวนน e u r o n connection ก็ไม่มากเท่าสมองเราร่างกายของเรา โดยความเป็นมนุษย์นั้นยากแล้วที่เปรียบเทียบเรื่องนี้พูดซ้ำไปย้ำ ม, มานี่คือให้ใครกลุวยงังไงว่าังกิจโฉมนุษส์ปฏิลาโปความที่จะได้เป็นมนุษย์เนี่ยมันจึงยากยากในความที่ว่ามันมีน้อยเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานมีมากยากแค่นั้นยังไม่ปอท่านฟัง ความเป็นอยู่ของชีวิตนี่ก็ยากด้วยศาสดาชื่ออารกักะทั้งเคยเปรียบเทียบเอาไว้นี่พระพุทธเจ้ายกคำสอนของศาสนาอื่นขึ้นมานะคำสอนของศาสนาไหนที่ศาสดาเขาประกาศไว้ดีไว้ชอบพระพุทธเจ้ารับรองยกขึ้นมาก็มีนี่คือของอารกะ บอกไว้อย่างนี้ว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมีน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากเพราะสัตว์ที่เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีถึงแม้ว่าในยุคของศาสดาอารากะนั้นผู้คนมีอายุขถึงหกหมื่นปีนะท่านฟัง สมัยปัจจุบันเรานั้นผู้คนมีอายุขัประมาณหนึ่งรปีที่มากกว่าก็มีส่วนใหญ่จะไม่ถึงเรา1ร้อยปีเป็นประมาณในสมัยของาศาสดาอระ ก, กะประมาณห0หมื่นปีท่านยังบอกว่ารวดเร็วนิดหน่อยมีความคับแค้นมากเพราะว่ายังไงก็จะ ต้องตายต่อให้หกมืนปีก็ยังตายทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกับพวกเทวดาในชั้นดาวดึงหรือชั้นพรมขึ้นไปอันนี้คือเขายาวนานกว่ามากนับเป็นปีของเทวดาไปเลยนี่เป็นปีของมนุษย์หกมืนปีนี่แล้วในสมัยเราซึ่งมีประมาณหนึ่งรปีนี่มันยิ่งน้อยลงไปใหญ่ตัฟัง ด้วยความน้อยลงไปใหญ่มันจึงยากไงในความที่ว่าจะได้สักครั้งหนึ่งแม้แต่น้อยนี่กระถามแล้วในความเป็นอยู่นะสมัยที่คนมีอายุหก0มืปีไม่มีโรคมะเร็งต้องฟังไม่มีโรคไข้หวั ด, ไ ม, ด COVID, ไม่ต้องพูดถึงโควิดไม่ต้องพูดถึงโรคที่จะเกี่ยวข้องว่าอาหารกินแบบนี้ไม่ดีด เราเปิดทำให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะอาหารที่เขาดีมีตลอดมีอาพาธแค่ความร้อนความหนาวจากฤดูการที่เปลี่ยนแปลงมีความหิวความกระหายจากบางทีไม่ได้กินหรือไม่ได้ดื่มยังมีการปวดอุจจาระปัสสาวะจากที่กินเข้าไปดื่มเข้าไปมีอาพาธแค่หกอย่างนี้ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นที่จะเกิดที่ตาที่หูที่ท้องที่คอลำไส้ไม่มีท่านยังอธิบายว่ามีความคับแขนมากเปรียบเทียบกับเทวดาเทวดาเนี่ยไม่มีร้อนไม่มีเย็นนะเพราะว่าฤดูเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมีหน้าหนาวมีหน้าฝนหน้าร้อนไม่มี เขาเหมือนมีแอร์คอนดิชันปรับเย็นสบายอยู่ตลอดเวลาความหิวความกระหายเขาไม่มีเพราะว่าก็เป็นอาหารทิพย์อยากกินเมื่อไหร่ก็กินได้เลยอิ่มทิพย์เลยแล้วที่กินเข้าไปดื่มเข้าไปจะต้องถ่ายออกมาเป็นอุจจ ร, ระปัสสวะก็ไม่มีด้วยเพราะเป็นอาหารทิพย์มนุษย์ในสมัยที่มีอายุห0 0 0 0ปีมีอาภาเพียง6อย่างแต่เปรียบเทียบกับพวกเดียวดาแล้ว อายุสั้นมีนิดหน่อยมีความคับแคนมากมีความทุกมากแล้วถ้ามาดูสมัยอายุมนุษย์หนึ่ง้อยปีเนี่ยทุกฟังอัลโตมันยิ่งมันรวดเร็วมากนิดหน่อยมากโรคภัยไข้เจ็บอ่ะโอ้ยโควิดนี่มันก็แบรเรียนไปเท่าไหร่สามสี่อันแล้วมีความคับแคนมากมีโรคภัยไข้เจ็บมาก โรคที่เกิดที่ตาที่หูที่ท้องแม้แต่ไม่ได้มีเชื้อโรคมันยังเป็นโรคได้เออโรคหัวใจอย่างงี้เป็นต้นคอเลสเตอรอลระบบหลอดเลือดนี่ไม่ได้มีเชื้อโรคนะหรือแม้แต่เบาหวานมันก็ไม่ใช่เชื้อโรคนะแต่เ ป, เป็นระบบการทํางานที่เกิดจากอาหารดีๆของเรากินเข้าไปเนี่ยมันทําให้เกิดความขับแขนมากไป น, นี้การดําเนินชีวิตจึงเป็นกองที่ทําได้ยาก ยากมาทั้งด้วยการเกิดมาอายุน้อยแล้วดำรงอยู่โดยความเป็นมนุษย์จึงยากด้วยความเป็นมนุษย์จริงๆมันจึงได้ยากมนุษย์จริงๆอย่างที่ว่าต้องมีสติสัมปชัญญะมีสีนะถึงความที่ว่าจะได้เป็นมนุษย์จริงๆมันจึงยากด้วยความที่น้อยและในบรรดาคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่จะเป็นยอดของคน ยอดของคนที่จะมีสติสัมปชัญญะมีความรู้มีวิชามีความพ้นมีวิมุตย์ยอดขึ้นไปก็มีพุโทโธไล่ไปเรื่อยๆจากอนุพุโทโธจนเป็นปัจเจกพุโทโธจนสูงสุดขึ้นเป็นสัมมาสัมพุโทโธนี่ยิ่งยากขึ้นไปอีกขณะมนุษย์ต่ำๆที่ว่าไม่ได้จะมีความเป็นมนุษย์เต็มที่เท่าไหร่ไม่มีศีลนี่ยังได้ยากยังได้น้อยใช่ไหม แล้วยิ่งจะเป็นยอดของยอดของยอดของคนขึ้นไปอีกนี่ยิ่งน้อยน้อยนๆยน้อยอ ย, อยลงไปมากท่านจึงบอกว่าความที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมันจึงยากมากกิจโชพุทธานามุปาปโตเพราะว่าการสั่งสมซึ่งบุญบารมีทั้งสิบทัดในสามระดับ บ่มด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาจนจิตนั้นมีการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปพธิญานนั้นนาจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็เรียกว่าเป็นพุทธนดรือว่างจากการมีพุทธช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ว่างเปล่าเป็นความมืดมีสงกรามมีการเบียดเบียนกัน มีการไม่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลอาจจะมีความดำรงชีวิตอยู่แบบเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่ได้มีการบรรลุธรรมไม่มีการหลุดพ้นไม่มีอริยบุคคลไม่มีเนื้อนาบุญความเป็นอยู่ไม่เป็นเหมือนอยู่อย่างในปัจจุบันนี้จะมีความขับแค้นมีความมืดแต่พอมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเหมือนมีแสงสว่างถึงฝัง เหมือนมีแสงสว่างปรากฏว่าโอเคทิศทางในการดำเนินชีวิตควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มงคลคือสิ่งที่จะให้เกิดความดีความเฮงการพัฒนาความก้าวหน้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบอกสอนไว้บางครั้งบางคราวคําสอนนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ได้นานเพระวัาท่าม่ได้บอกไว้เยอะไม่ไดีสอนไว้เยอะ สอนไว้เพียงเพื่อเคลียร์ว่าเออจะรู้ธทำปฏิบัติแล้วก็บรรลุโอเคจบแค่นั้นแค่นี้ยังยากแล้วนะระกวังในบรรดา100คนสักหนึ่งคนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่มีด้วยซ้ําต้องเป็นหลายล้านล้านล้านล้านหลายโกดธละถึงจะมีสักหนึ่งคนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในบรรดา100พระพุทธเจ้าที่ว่าจะมาประกาศธรรมะ แล้วให้ยั่งยืนคงอยู่เป็นหลายร้อยหลายพันปีก็ไม่ใช่ทุกรูปทุกองจะทำอย่างนั้นแค่ประมาณครึ่งเดียวโอกาสในการที่จะได้ยินพระัธรรมมันจึงยิ่งยากขึ้นไปก้าฟังท่านจึงบอกว่ากิจฉังสัทธธรรมััสวะหนงังการฟังพระัธรรมยิ่งจึงเป็นของยาก แต่ใครจะคิดเราใครจะเชื่อเราโกคือใครโกนี่ยไม่ได้มายว่าพี่นะแต่หมายถึงใครใครจะเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือมันจะใช่หรือก็ฉันกเกิดมาแล้วเธอก็เกิดมาแล้วก็มองตาขันเห็นเน้นเนี่ยประชากรมันไม่ได้ห่าสองพันกว่าล้านหรือโลกนี้เขาก็มีกันเยอะแยะไป นั่นดหสิใครจะเชื่อใครจะคิดว่ามันได้ยากป่านนี้ยังได้แล้วล่ะนั่นดหสิเขาก็ take for granted ภาษากรีกคือประมาทไงคิดว่าเออมันก็ทั่วๆไปนะไม่ใช่ของพิเศษอะไรนี่คือประมาทไงนี่คือไม่เห็นไงนี่ือถูกปิดบังไว้ไงเพลิเพลินไปไง พอ ม, มาละไม่เห็นถูกปิดบังไว้ก็ไม่เข้าใจว่ามันจะใช่เหรอนั่นตัสิกรเชื่อนอกจากพวกที่มีบทอันตนเนีแล้วถ้ามีความสามารถมีฤทธิ์เห็นได้ว่าโทัสองบันกว่าล้านนี่นะมันไม่ได้มากนะถ้าเปรียบเทียบกับที่ตายไปแล้วเปรียบเทียบกับที่ว่าจะเกิดมาอีก ก็มีการทำสถิติกันดัหวังไม่ต้องเป็นผู้ที่มียาอย่างรู้อดีอนาคตอะไรกันก็ได้แค่ใช้เทคนิคของการคำนวณธรรมดารรมดานะักคำนวณเขก็คิดว่ามนุษย์ที่เกิดมาแล้วตายไปเทียบเคียงกับมนุษย์ที่จะเกิดมาต่อจากนี้ปริมาณของสัตว์เป็นเท่านี้ความยากความหน้าจะเป็นมันน้อยมากไงดับวัง ในความที่ว่าราดำรงอยู่เป็นมนุษย์เกิดมาแล้วมันมีโอกาสน้อยมากจึงคือแก้ว่าใช้หลักทางสติทางกณริสานะแต่ถ้ามียานอย่างรู้เป็นผู้ที่มีบทอันตนเห็นแล้วจึงจึงเปิดเผยไว้ว่ามันยากจริงๆเหมือนฝนหนักๆตกลงแล้วมีต่อมน้ำเกิดขึ้นที่ผิวน้ำมเมล็ดฝนตกลงมาปึง้ง แตกโป๊กเป็นฟองรวดเร็วดับหายไปป่านนั้นเหมือนรอยไม้ขีดลงบนน้ำรอยน้ำนั้นกลับเข้าหากันเร็วป่านนั้นเหมือนแม่น้ำที่มีกระแสชีว่วไหลไปพัดไปวุ่นวุ่นุนุ่ น, นจะให้มันหยุดอยู่สักครู่เดียวมันไม่มีเลยมันมีแต่จะไหลไปไหลไป รู อ, อยังโคที่เขาถูกนําไปสู่ที่ฆ่านี่ทุกก้าวทุกก้าวก็เข้าไปสู่ความตายสู่ความตายชีวิตเราคือหมไรกันนะฟังทุกลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจออกเข้าชีวิตเราเนี่ยลดลงไปทีละลมสองลมทีละครั้งสองครั้งนะสิ้นไปสิ้นไปสิ่งสำคัญคือว่า มันน้อยลงน้อยลงป่านนี้หมดลงหมดลงป่านนี้ตอนนี้เราจะทำอะไรศา ส, สดาชื่ออร ก, การ์บอกว่าจึงจะต้องด้วยปัญญาทำกุศลประพฤติปรมาจั๋นด้วยปัญญาให้เห็นแบบนี้แล้วจึงจะควรรู้ว่าโอ้เงินฉันต้องทำกุศลบำเพ็ญบุญ ประพืชปรมัจจันคนที่จะรู้คุณข้อนี้เนคะเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่กะตันอยู่คือรู้คุณรู้คุณของชีวิตรู้คุณของโกนั้นคือผู้ที่เขามีบทอันตรนเห็นแล้วที่ว่าใครจะคิดใครจะเชื่อเล่าเอาแต่ถ้าเชื่อถ้าคิดได้ด้วยปัญญาจะรู้ถึงคุณข้อนี้คือมีความกะตันอยู่ พระพุทธเจ้าจึงเคยบอกกับเจ้าลิเชวีไว้ทุกวางว่าสิ่งที่มีค่ามากมากที่เปรียบเหมือนเป็นรัตนะเป็นแก้วที่มีค่ามากกว่าพวกโลหะต่างๆหนึ่งในนั้นคือผู้ที่รู้คุณกร น, นีคือกะตันยูหาได้ยากในโลกความปรากฏแห่งแก้วห้าประการหาได้ยาก เราก็ไม่ใช่ว่ารู้แล้วเท่านั้นนะคือรู้แล้วกระทำตามด้วยกัตันยุกตะเวทีไงทุกฝังกตันยุกตะเวทีบุคคลหาได้ยากในโลกเป็นเหมือนแก้วเป็นเหมือนรัตนะเป็นเหมือนสิ่งที่มีค่ามากที่ว่าคนที่คิดว่าเออฉันก็เกิดมาเป็นหนึ่งในหลายพันลา้ลานโอ้เราจะเห็นค่าในชีวิตหรอนั่นนะสิ มางคนไม่เห็นค่าในชีวิตของตนเองก่าค่าตัวตายบ้างใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประมาทบ้างสังกตายบ้างขี้เกียจบ้างตื่นสายกินมากพูดเยอะหาความสุขในทางกามนัม้นคือมีมากไงคนแบบเนี้ยไม่ได้มีน้อยคนที่มีน้อยที่ว่าจะมีความกระตันยูกระตับเปที คือรู้ถึงคุณของชีวิตนี้ตามคำสอนพุทิบอกสอนไว้แล้วกระทาตามคือกตะเวทีด้วยมันถึงมีอยากหาได้ยากมีน้อยแต่ไมถึงมีกระตันอยู่กตะเวทีบุคคลน้อยเพราะว่าจะมาฟังเทศฟังธรรมไงมันมีน้อยคือมันไล่เรียงมาตั้งแต่ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในกระยากแล้วใช่ไหม แล้วที่ท่านเทศไว้สอนไว้โอกาสแค่ห0าสิบเซนตแล้วพอบอกไว้สอนไว้ผู้ที่จะเอาความรู้นั้นไปบอกต่อสอนต่อก็หาได้ยากด้วยเพราะว่าพอจะมาฟังแล้วจะมารู้เห็นคุณค่ามันยากธนรมดาที่ได้ยากนั้นมีน้อยนั้นที่จะไม่มีความสามารถถึงขนาะดว่าจะบอกต่อได้จําได้ทรงจา สอนต่ออธิบายไปมันก็น้อยลงไปอีกยากขึ้นไปอีกแล้วในบรรดาที่ว่าบอกต่ออธิบายไปคนอื่นฟังต่อไปแล้วไงแล้วก็จะมารู้แจ้งให้เกิดความเข้าใจจริงๆว่าที่บอกนั่นสอนนั้นมีความหมายจริงๆอย่างไรมันยากมันจะใช่หรอจะมารู้แจ้งแบบนี้ได้ยิ่งน้อยลงไปอีก รู้แล้วเข้าใจแล้วจะมาทําปฏิบัติให้มันได้ตามนั้นมันยิ่งน้อยลงไปอีกตรงฟังคือมันเหมือนเป็นเรื่องตลกนะครับพเจ้าว่าว่าโอ้โหอะไรมันจะน้อยไปกขนานี้มันไม่น่าจะมีเหลือแล้วมั้งเนี่ยทุกวันนี้คําสอนมันไม่น่าจะเหลือแล้วแต่ถ้าน้อยยากบาล น, นี่แม้กระนั้นดมฝังก็ยังมีถ้ายังมีการปฏิบัติตามบรมยมมีองแปดอยู่เมื่อไหร่ ารารันเนี่ยจะไม่ว่างไปจากโลกนี้เลยนะเตอนว่าเวลาที่เราไกรครวนตามธรรมะบางทีมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อใครจะคิดใครจะเชื่อมันเหลือที่จะคิดเหลือที่จะเชื่อว่าแม้ยากปานนี้น้อยปานนี้อธิบายไล่ เ, เรียงกันมาเขาไกร์รุญด้วยปัญญามันยากมันไม่น่าจะมีออแต่เราคิดดูดีๆเราคิดดูดีๆ ถ้าคุณปริบัติตั้งสติไว้ตามเหตุตามผลจิตมีการแยกแยะออกจากวิญญาณแยกแยะออกจากความคิดแยกแยะอยู่ในช่องทางใจรู้ตามเหตุผลมีปัญญาเข้าใจแล้วเออทำไมการอุบัติขึ้นของอริย บ, บุคคลมันจะไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ท่านเป็นผู้ที่มีศีลมีสมาธิ มีปัญญามีวิมุติแถมวิมุมตติยา น, นัตนะให้ด้วยรู้แล้วได้บอกสอนแก่ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมรดกไงทุกั ง, งเป็นมรดกที่สืบทอดต่อทิ้งไว้ให้ว่าเออใครก็ตามที่มาอา่านทำความเข้าใจในข้อมูลพวกนี้แสงสว่างดวงตาปัญญามันก็เกิดขึ้นได้ ไกรกรวนในความยากที่แม้ป่านี้เราก็ได้ได้แล้วเราประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติปรมจันทร์เห็นตามความเป็นจริงในความที่สัตว์ที่เกิดแล้วจะไม่แก่ไม่ตายไม่มีนั่นคือ ลืมตาขึ้นนะคือตื่นขึ้นคือมีพุโทโธมีแสงสว่างมีดวงตามีแสงสว่างมีปัญญามีความรู้มีความรู้มีดงตามีปัญญานี้เราจะไม่ยึดถือไม่ยึดถือในสิ่งต่างๆว่าโอ้สิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราหวังแต่มันก็เป็นอนัตตาของมันนั่นแหละ ไปตามเงื่อนไขปัจจัยโลกยังไม่เที่ยงเลยเห็นตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่ยังยืนสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ไม่เที่ยงคืออนิจจังไม่ยังยืนคืออทตวังหวังอะไรไม่ได้คืออนัสสิกัง จะมะหาสาระเก่นสารในสิ่งนั้นไม่ใช่แต่สาระเก่นสารอยู่ในปัญญาข้อนี้ยากเนี่ยน้อยเนี่ยมันจึงมีค่ามากมีค่ามากตรงที่เห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเสื่อมไปปัญญามีค่ามากจะเกิด ด้วยในรูปของความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเป็นส่วนห่งปัญญานะจะมีความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงมีความกลายกำหนัดมีความปล่อยวางได้หรือยังขนาดสิ่งอะไรที่เราจะคิดว่ามันต้องยั่งยืนมั่นคงโอ้โหยากก็ด้วยแหละที่จะเกิดมาจะเปลี่ยนแปลงมันก็ยากด้วยเอา้ายังขุนเขาสิเนรูุโลกขอเราไปเนี่ย แต่เห็นแต่เฉพาะยอดก็คือยอดเขาเอเวอเรสต์พี่เขาบอกว่ายาว 84,000 พันยอดกว้าง 84,000 พันยอดสูง 84,000 พนยอดยังมีส่วนที่อยู่ในน้ำที่ยังสารวจไม่ได้อีกเอาว่าเป็น 84,000 พันยอดคือลึกมากคว้างมากสูงมากใหญ่มากที่เราว่าโอ้โลกนี้นี่มันมั่นคงยั่งยืนแต่ว่า นักวิทยาศาสตร์เขายังทำนายไว้นะว่าต่อไปโลกใบนี้เขาจะอยู่ไม่ได้ละจะมีความเปลี่ยนแปลงของระบบจุริยะระบบแรงดึงดูดของโลกระบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้โลกนี้ยก็จะเสื่อมสลายไปพระริจารอธิบายถึงความร้อนแรงของดวงอาทิตย์ที่มันจะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ดวงอาทิตย์วันนี้ทุกฝังเวลาดูดูร้อนหน้าร้อนเนี่ย40องศายัางน้อยไปบางพื้นที่ของโลกก็ฝ่ายไป50 55 55นี้เชื้อโรคในตัวมันก็ตายไปด้วยแล้วคนก็ตายด้วยแล้วแม้กระนั้นถ้าความร้อนของดวงอาทิตย์เพิ่มเป็นสองเท่าละเหมือนมีดวงอาทิตย์สองดวง โอเคว่าโลกเราขยับใกล้ดวงอาทิตย์ไปอีกสักหมื่นกิโลเมตรความร้อนนี่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านะในการนั้นก็บอกว่าแม่น้ำน้อยบึงทะเลสาบน้อยก็จะเหือดแห้งไปแล้วถ้าดวงอาทิตย์ร้อนแรงขึ้นเป็นสมเท่าล่ะโอ้พวกแม่น้ำใหญ่ก็แห้งไม่เหลือแล้วถ้าดวงอาทิตย์ ความร้อนแรงเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าล่ะโอ๊ยคราวนี้ทะเลสาบใหญ่หญๆก็แห้งขอดหมดแล้วถ้าความร้อนแรงเพิ่มขึ้นเป็นห้าเท่าอะน้ําทะเลในมหาสมุทมนี่ไม่เหลือแล้วไอที่บอลลึกๆเป็นหลายราย้อยหลา ย, ลายพันโยธในซอกในหลืบนั้นจะเหลือน้ำบ้ากไม่เหลือแล้วบิ้ดหมดแล้วถ้าร้อนแรงขึ้นเป็นห้าเท่าเป็นหกเท่าอะ วันนขึ้นขโมงเลยแล้วถ้าเจ็ดเท่าอ่ะไฟนี่ลุกบิ้มเบิ่มเลยโลกนี่ร้อนแรงโอ้ ย, อยไปพูดถึงว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่สิ่งมีชีวิตนี่อยู่ไม่ได้ตั้งแต่ร้อนแรงขึ้นเป็นสองเท่าอเอาแค่ว่าร้อนกว่านี้ขึ้นสักยี่สมเปอร์ซนมนุษย์สัตว์พืชอะไรพวกนี้อยู่ไม่ได้แล้วหลวงวังฝนฟ้าไม่ตก ไม่ต้องถึงเป็นหลายร้อยหลายแสนปีอเอาแค่สองสามปีฝนไม่ตกอากาศเปลี่ยนแปลงมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้แล้วตายไปตั้งนานแล้วแต่จะมีบางสมัยดูฟังในการบางครัง้งหบังกล่าวที่ว่าดวงอาทิตย์ของเรานี่แหละมันร้อนแรงขึ้นร้อนแรงขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าหกเท่าเจ็ดเท่า จนกระทั่งว่าโลกใบนี้แตกสลายไปหายไปไม่มีอยู่โลกที่ว่าดูเหมือนมั่นคงยั่งยืนก็ยังแตกได้สลายได้ช่วงเวลาที่จะมีสิ่งแวดล้อมที่พอให้มนุษย์จะอยู่ได้ยิ่งน้อยลงลงไปอีกกว่ามันจะกลับมามีใหม่ก็ใช้เวลานานกว่าจะมาถึงสภาวะที่จะให้มีโอกาสให้มนุษย์เกิดขึ้นยิ่งน้อยเกิดขึ้นมาแล้ว จะมีการดำรงชีวิตอยู่ก็ยากความน้อยความยากเนี่ยจึงให้เห็นให้เข้าใจด้วยปัญญาในวัน ว, ว่าอ๋อสิ่งนี้มีค่ามากโดยความน้อยของเขาเห็นแล้วรู้แล้วด้วยปัญญามีปัญญาแล้วเอาเสติเอาปัญญาไว้อย่าไปยึดถือในสิ่งที่มันมีค่าน้อย มีนิดหน่อยคือกายของเรานี้คือจิตของเรานี้คือชีวิตของเรานี้มันน้อยไม่มากให้เห็นด้วยปัญญาจึงจะมีค่ามากเห็นด้วยปัญญาในความเป็นของน้อยของชีวิตปัญญานั้นจึงมีค่ามากเห็นด้วยปัญญาแล้วจะปล่อยวางได้เราสิ่งที่จะมีประโยชน์สูง นั่นคือปัญญาความเป็นของไม่เที่ยงหรือไม่กอย่างน้อยก็เมตตาคือความปรารถนา น, นี้ดีกว่สัพพะสัะตว์ทั้งหลายหรืออุเบกขาความวางเฉยหรือเอาศีลก็ได้เอาศีลเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาเราข้อนี้ไว้ก็ได้ในการที่จะรักษาไว้ตั้งจิตไว้ขณะที่เรา ม, มีจุดที่จะเกาะเกาะนะไม่ใช่หยุดเอาไว้นีอเอาเป็นที่พึ่งนะ ไม่ใช่เอาเป็นกองตนเอาเป็นที่พึ่งให้เป็นสารณะให้มีเกาะหมายถึงการพัฒนาน่นเองการพัฒนาคือการภาวนาภาวนาไม่ใช่ยึดถือจับไว้เกาะไว้เอาเป็นที่พึ่งไว้ไม่ใช่ยึดถือว่าเอามาเป็นกองตนแต่ให้มีการพัฒนาให้เป็นหลักไงให้จิตกเรามีสติ ตั้งขึ้นเป็นหลักตนจึงบอกว่าบุคคลที่มีที่เกาะมีสรณนมีที่พึ่งจะมีการภาวนาึ้นมีการพัฒนาในเรื่องของสติปัฏฐานสี่ไม่เหมือนกับคนที่จะยึดถือเอาพระเรื่องบ้างว่าเนี่ยจะมีสารานสิงนี้ยึดถือเอาภูเขาบ้างต้นไม้บ้างท้องฟ้าบ้างบทสตด น, นี้บ้าง โดยช่วงยิ่งพวกสายมูนี่สายมูเนี่ยก็จะเอามูมูนั่นแหละมาเป็นที่ยึดยึดมันไม่ใช่กาอไงยึดมันไม่ได้เอาเป็นที่พึ่งไงแต่มันเป็นความงมงายเป็นการที่ไม่เห็นด้วยปัญญาแต่คนที่เขามีหลักคือมีที่เกาะือมีที่พึ่งเขาจะเอาหลักนั้นสร้างพัฒนาภาวนา คือเจริญให้เกิดปัญญาด้วยสติสัมปชัญญะท่านจบพบว่าคนที่มีที่เกาะมีที่พึ่งไม่งมงายจะรู้จะเห็นอริยสัจทั้งสีได้ด้วยปัญญาอริยรสัจสี่คือสีสมาธิปัญญานี่แหละอริยสัจสีอยู่ในมรรคแปมรรคแปอยู่ในอริยรสัจสี นอันหนึ่งก็เห็นอีกอันหนึ่งทุกสมุทัยนิโรธมรก็อยู่ในมรรคแปะมรรคแปะก็อยู่ในทุกสมุทัยนิโรธมรกอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเลยวิมุตตินี่เป็นมรดกที่พระพุทธเจ้าเป็นมอบให้ไว้เรารับมาเอามาประดิษฐานไว้ท่ามกลางอกมาประดิษฐานไว้ในใจติตกเราที่มี ศีล ส, สมาธิปัญญาปรดิสฐานไว้จะเปรียบเหมือนผู้ที่ถูกนำตัวไปสู่สบั์มีทางที่เมื่อดําเนินแล้วจะไปสู่ความดับไม่เหลือของทุกจะไปสู่ความดับไม่เหลือของเหตุเกิดทุกรูเเ้เข้าใจด้วยความคิดด้วยความเชื่อเข้าใจด้วยความคิดรู้ได้ด้วยความเชื่อ ปฏิบัติแล้วเห็นด้วยตนเองจะเป็นผู้ที่มีบทเข้าใจได้ต้องฟังว่าอยากแม่นี้เราก็ได้แล้วเห็นคุณค่าในสิ่งที่ยากที่ได้แล้วเป็นคนกตันอยู่กระทำตอบอย่างเหมาะสมจึงทำให้เกิดการปฏิบัติตามสมควรแก่ทำมีความรู้ความเข้าใจเป็นคนประเสริฐขึ้นมาทันที คือเป็นอระยะบุคคลคนประเสริฐเป็นอริยบุคคลทางดําเนินนั้นจะไปสู่ที่ที่จะไม่แก่ไม่ตายไม่เกิดไม่อุบัติไม่มืดไม่สว่างเป็นที่ที่จะมีความเย็นคือดับเย็นคือนิพพานรู้แล้วปฏิบัติแล้วรู้ฟังรูสาจิโเราที่ให้เห็น ปัญญาเกิดความเข้าใจเอาไว้ให้ดีคือเวลาเราจะรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยสติไงเราประคับประคองตั้งสติของเร า, เาไว้ให้มันได้ดีไปตลอดทั้งวันในช่วงของจิตวิเวกทุกวันอังคารทมฟังที่เราจะมาฝึกปฏิบัติให้เกิดปัญญาให้เกิดสมาธิให้เข้าถึงความวิเวกแห่งจิตของเรา ชนิดที่เป็นรูปแบบในทุกวันการทางสถานีวิทยุกระจายสิ่งแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าหรือในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆแต่สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์กระดายปัญญา o o r g p, p a n y a o r g รายการนี้ผลิตโดยมูนิธิปัญญาภาวนามีข้าพเจ้าพระมหาใบบุ์อาภิปุณโณเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร์